วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมการอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีเป้าหมายอยู่ที่การรักษาโรคของใจโรคของใจก็คือความไม่สบายใจ ความวุ่นวายใจความวิตกกังวลใจความเดือดนือร้อนใจที่เกิดจากความหลงลืมเกิดจากโรคหลงลืมโรคความจําเสื่อมสมัยปัจจุบันเ็าเรียกว่าโรคอัลไซเมอร์ จำอะไรไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ทำให้ใจไม่สบายก็คือใจจําความจริงไม่ได้ลืมความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้านำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา แต่พวกเรามักจะลืมกันพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ลืมไปพอเราลืมความจริงเราก็ไปจำความไม่จริงพอไปจำความไม่จริงก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลขึ้นมา เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราไม่ดื่มความจริงความไม่สบายใจต่างๆจะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นเราต้องมารักษาโรคความจําเสื่อมกันคือ โรกที่ลืมความจริงกันแล้วก็ไปจำความไม่จริงกันความไม่จริงนี่แหละที่ทำให้ใจของเราไม่สบายทำให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราจำความจริงได้ใจของเราจะสบายใจของเราจะไม่ทุกข์ความจริงที่พระพุทธเจ้าสงสอนเรา คืออะไรก็คือว่าก็คือใจรักนี่เองอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือความจริงอั น, นิจจังแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เที่ยงไม่ถาวนมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อม น, นิจังแล้วก็ทุกขังทุกขังแปลว่าอะไรก็แปลว่าความไม่สบายใจนี่เองแล้วก็อนัตตาแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่แหละคือสิ่งที่เราลืม เรามรื่นิจจ์เช่นอะไรคืออนิจจงก็คือสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ที่เราครอบครองเป็นของเราอยู่นี่มันไม่เที่ยงมันมีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับวันสักวันหนึ่งข้างหน้าเขากับเราก็ต้องจากกันไป ของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติภายนอกร่างกายเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระของเหล่านี้เป็นอนิจจงร่างกายของเราก็เป็นอนิจจ์เกิดได้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่า เราอยากจะให้เขาเป็นนิจจังนั่นเองอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเวลาแต่เขาไม่ยอมอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราเขาไม่เชื่อฟังเราเราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เวลาที่เขาอยากจะจากไปเขาก็ไป เขาไม่สนใจว่าเราจะเสียอกเสียใจไม่สบายใจอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองที่เรายังหลงลืมไปว่าเป็นของเราหลงลืมไปว่าเขาจะให้ความสุขกับเราตลอดเวลา หลงลืมแปลว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาคือลืมไปว่าเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลาลืมไปว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราลืมไปว่าเขาจะต้องให้ความทุกข์กับเรานี่คือสิ่งที่เราลืมกันถ้าเรา ต้องการจะไม่ลืมเราต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เจริญให้พิจารณาอยู่เนืองๆเช่นทรงสอนในบทอโมอนานุสติว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีการตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพลดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพน้นเรื่องราวเหล่านี้ไปไม่ได้ขอให้พิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อจะได้มาแก้โรคอัลไซเมอร์คือโรคหลงลืมเราลืมความแก่กันเราลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเราลืมความตายกัน เราลืมการพัดพ้าจากกันว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเท่านั้นเองพอเวลาเกิดขึ้นมาเราก็เกิดความปั่นป่วนใจขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเวลาใดที่เราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตาย คิดถึงการพลาดพลาดจากกันเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาความไม่สบายใจของเราเกิดจากใจที่ไม่ตั้งมั่นนั่นเองไม่ตั้งอยู่ในความสงบถ้าใจเราตั้งอยู่ในความสงบแล้วเวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพลาพลาดจากกันเราจะไม่รู้สึก เดือดร้อนวุ่นวายใจแต่เรากลับจะรู้สึกมีความสงบเพิ่มมากขึ้นเพราะเราจะต้องยอมรับความจริงเพราะเวลาเรารับความจริงได้ใจของเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะสงบ สำหรับใจที่มีความสงบแล้วเวลาเราเลิกถึงความจริงนี้จะทำให้ความสงบนี้มีความแน่นหนามั่นคงเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำหรับใจที่ยังไม่มีความสงบเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพัพรากจากกันจะทำให้เกิดความหดหู่ใจ เกิดความ <c oughs> หวั่นไหวเกิดความวิตกเกิดความไม่สบายใจขึ้นดังนั้นก่อนที่เราจะมาเตือนใจมาสอนใจมารักษาโรคความจําเสื่อมของเรานี้ให้หายไปได้เราต้องฝึกทำใจของเราให้สงบก่อนเพราะถ้าเราไม่ไม ไม่ทำใจให้สงบเราจะไม่สามารถคอยสอนคอยเตือนใจได้อยู่อย่างเนื่องๆ เ, เพราะเวลาเราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายคิดถึงการพลาดพลาดจากกันเราจะมีความหดหู่ใจมีความไม่สบายใจก็จะทำให้ไม่อยากคิด นี่คือเหตุผลที่ทําไมเราจึงยังไม่สามารถะจะเจริญปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริงได้ก็เพราะว่าใจของเรายังรับไม่ได้ยังรับความจริงไม่ได้เพราะใจของเรายังไม่มีความสงบใจที่ไม่มีความสงบนี้จะมี สิ่งที่จะมาต่อต้านความจริงก็คือความหลงโมหะอวิชากิเลสตัณหานี่เองทุกครั้งที่เราคิดถึงความจริงมันจะสร้างอารมณ์ที่ไม่ดีให้กับเราทำให้เรารู้สึกหดหู่รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายรู้สึกไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ที่จะทำอะไร นี่แหละคือปัญหาของพวกเราเรามีโรคความจำเสื่อมแต่เราไม่สามารถเอายามารักษาโรคความจำเสื่อมนี้ได้เพราะใจของเราต่อต้านยาไม่ยอมรับยาดัางนั้นก่อนที่เราจะเอายาเข้าสู่ใจได้เราต้องวางยาสลบ ให้กับใจก่อนทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งก่อนเหมือนกับคนไข้ที่หมอจำเป็นจะต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดอวัยวะของร่างกายที่ต้องได้รับการดูแลรักษาถ้าคนไข้ยังมีสติอยู่ยังไม่ได้ สลบสลายยังไม่ได้รับฉีดยาชาคนไข้จะดิ้นเวลาที่หมอจะเอามีดเข้าไปผ่าร่างกายดิ้นจนกระทั่งหมอจะไม่สามารถผ่าได้นี่คือร่างกายจะต่อต้านการผ่าตัดการดการรักษาของหมอหมอจึงจำเป็นจะต้องฉีดยาชา หรือต้องดมยาสลบเพื่อให้คนไข้ไม่ต่อต้านหมอถึงจะทำการรักษาโรคของร่างกายได้ใจของเราก็เป็นอย่างเหมือร่างกายใจของเราก็มีโรคคือโรคของความจำเสื่อมที่ทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจความไม่สบายใจต่างๆ เราต้องเอาความจริงมาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆด้วยการพิจารณาอยู่เนืองๆแต่ถ้าใจของเรายังไม่มีความสงบใจของเราจะต่อต้านจะสร้างอารมณ์หุดหงิ ด, ดหดหูใจไม่สบายใจขึ้นมา ไม่ทาให้ไม่อยากพิจารณาความจริงไม่อยากคิดถึงความจริงชอบคิดถึงความไม่จริงดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำใจของเราให้สงบก่อนเพื่อที่เราจะได้ฉีดยาสลบให้กับกิเลสปัญหาโมหะอวิชชาที่จะมาคอยก่อกวน การพิจารณาความจริงของใจถ้าเราทำใจให้สงบได้เวลาเราพิจารณานี่จะไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชามาสร้างอารมณ์หดหูใจหงดหงิดลาคาญใจไม่สบายใจไม่พอใจ พระพุทธเจ้าถึงส่งสอนว่าก่อนที่จะเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนและสิ่งที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นมาได้ก็คือการเจริญสติสติก็คือการรเลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ใจไป ผลิตไปเสพอารมณ์ต่างๆให้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าใจบริกรรมพุทโธไปอย่างต่อเนื่องใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีอารมณ์ไว้วุ่นวายต่างๆปรากฏขึ้นมาไม่มีความ พุ่งสร้างปรากฏขึ้นมาใจจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายดายเวลาที่นั่งหลับตานั่งเฉยเฉยแล้วก็หลับตาแล้วก็กําหนดบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าสามารถบริกรรมพุโทโธเพียงอย่างเดียวได้ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีเลืม เร็วกันนั้นก็ได้ห้านาทีก็ได้ใจก็จะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อุเบกขานั่นแหละคือสมาธิใจนิ่งไม่คิดปรุงแต่งมีความสงบมีความว่างมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งของใจถ้าใจมีอุเบกขา เวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขานี้จะคอยกีดกันหรือคอยกดกิเลสตัณหาไม่ให้โผล่ขึ้นมาเร็วจนเกินไปถ้ามีอุเบกขากิเลสตัณหาจะไม่โผล่ขึ้นมาเวลานั้นถึงเป็นเวลาที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาได้พิจารณาความจริงได้ สอนใจไม่ให้หลงให้ลืมความจริงได้ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆว่าเกิดมาแล้วตามต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังถ้าเราอยากให้เขาเป็นนิจจังอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆ เราก็จะเกิดความทุกข์ใจเพราะเขาไม่อยู่กับเราไปเรื่อยๆเขาจะต้องมีวันจากเราไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเรานี่เราก็จะพิจารณาได้และขณะที่พิจารณาแทนที่ใจจะเกิดความ หดหูก็ไม่เกิดเพราะใจมีอุเบกขาเป็นตัวป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาสร้างความหดหูสร้างความไม่สบายใจเรายิ่งพิจารณาใจก็ยิ่งสงบยิ่งมีอุเบกขาเพิ่มมากขึ้นใจจะใจจะรับความจริงได้แล้วความจริงนี้จะรักษาใจให้อยู่ ในความสงบอยู่ในอุบเบกขาได้นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราจเจริญสติกันก่อนเพื่อให้เรามีสมาธิพอมีสมาธิเราก็จะมีอุบเบกขาพอมีอุบเบกขาเราก็จะพิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาแล้วก็จะเกิดความ สุขความสงบเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีอุบเบกขาถ้าพิจารณาแล้วจะเกิดความไม่สบายใจเพราะไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเก็บไม่มีใครอยากตายกันแต่ใจที่มีความสงบกับไม่มีความอยากเพราะว่าอุบเบกขานี่จะกดเอาไว้ จะป้องกันไม่ให้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายโผล่ขึ้นมาแล้วพอเอาความจริงเข้ามาสอนใจยืนยันว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนใจก็ต้องน้อมรับความจริงเพราะรู้ว่าถ้าฝืนความจริงแล้วจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าฝืนคือต่อต้านความจริง ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายรับความแก่รับความเจ็บรับความตายไม่ได้ใจก็จะวุ่นขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมา hence ใจก็จะรู้ทันทีว่าต้องรับความจริงต้องกล้าที่จะเผชิญกับความจริงที่จะเกิดขึ้นต้องกล้าที่จะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายกล้าที่จะเผชิญกับการพัดพรากจากบุคคล ต่างๆจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปกล้าที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่เราไม่รักไม่ชอบนี่แหละคืออํานาจของอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะไม่สะทกสถานใจจะมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็ง แล้วยิ่งถ้ามีปัญญายิ่งจะเสริมความเข้มแข็งความกล้าหาญให้มีเพิ่มมากขึ้นไปจนสามารถที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวกไม่ว่าจะเป็นด้านเจริญหรือด้านเสื่อมไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีรับได้ทุกรูปแบบเพราะ ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้เพราะใจไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีส่วนตรงไหนที่จะบุบจะจะพังจะเสียหายได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาูก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายใจได้แต่ใจไม่รู้ความวิเศษของใจนี้ เพราะถูกความหลงความความจำเสื่อมหลอกให้ใจไปผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วไปคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆใจจะเดือดร้อนนี่แหละคือความหลงมันหลอกให้ใจไปพึ่งสิ่งต่า ง, ๆ ท, งๆทั้งๆ ท, งที่ใจนี้ไม่ต้องพึ่งอะไร ไม่ต้องมีอะไรมาคุ้มครองดูแลรักษาเพราะไม่มีอะไรที่จะทำลายใจได้ใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับความว่างมีใครทำลายความว่างได้บ้างต่อให้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงไปตรงจุดนี้สิบรูปความว่างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่จะถูกทำลายไปก็คือสิ่งที่ไม่ว่างนั่นเองเช่นกุติ นี่สาลาหลังนี้ไม้สังกสีพลา ส, สติกเนี่ยพอ โ, นโดนระเบิดนิวเคลียร์มันก็ถูกทําลายไปหมดแต่ความว่างมันก็ยังอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นใจก็เป็นอย่างนั้นใจไม่มีรูปมีร่างเหมือนกับความว่างดังนั้นไม่ว่าจะอะไรจะมาทําลายใจนี้ย่อมทําลายไม่ได้แต่สิ่งที่จะทํา มีแต่จะทำให้ใจทุกข์ได้เท่านั้นทำลายใจไม่ได้ทำลายใจให้หายสาบสูญไปเหมือนกับร่างกายนี่ทำลายไม่ได้แต่ทำให้ใจทุกข์ได้สิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากของใจนั่นเองที่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ใจหลงไปยึดไปติดไปอาศัยเป็นที่พึ่ง อยากให้เขาอยู่กับใจไปนานๆอยากจะไม่ให้เขาจากพัดพากจากใจไปความอยากตัวนี้แหละที่ทําให้ใจเกิดโรคขึ้นมาโรคคือความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะเกิดจากความหลงลืมความจริงนั่นเองหลงลืมไปว่าใจไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไร ดังนั้นถ้าเรามาสอนใจให้ใจไม่ให้ไปพึ่งอะไรต่างๆให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากให้สิ่งต่างๆอยู่กับใจไปนานๆอยู่กับใจไปตลอดใจก็จะหายทุกหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากความไม่สบายใจหายจากความวุ่นวายใจหดหู่ใจ เสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจหมุดหิตลำคาญใจโใครคภัยไข้เจ็บเหล่านี้จะหายไปหมดนี่แหละคืออำนาจของธรรมโอสถ์คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราแต่ก่อนที่จะกินยานี้ได้พระพุทธเจ้าบอกว่า ต้องฉีดยาสลบดมยาสลบให้กับกิเลสตัณหาก่อนต้องทําให้กิเลสตัณหาสงบตัวลงวิธีที่กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาจะสงบตัวลงได้ต้องทําใจให้สงบใจจะสงบได้ต้องหยุดคิดความคิดปรุงแต่งต่างๆใจจะหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็ต้องมีเบรค เบรกที่จะหยุดก็คือสติดังนั้นเราจึงต้องมาจเจริญสติมาสร้างเบรกกันเพื่อจะได้หยุดความคิดปุุงแต่งพอหยุดความคิดปุุงแต่งได้เราก็จะหยุดใจได้ทําใจให้สงบได้พอใจสงบกิเรตันหาโมหะอวิชา oh ah ก็ทํางานไม่ได้ก็ต้องหยุดไป โมหะอาวิชชากิเลสตัณหาก็เหมือนผู้โดยสารที่อยู่ในรถนั่งอยู่ในรถนี่แหละผู้โดยสารจะไปไหนมาไหนได้ก็ต้องรถวิ่งได้ก่อนถ้ารถจอดอยู่เฉยก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งอยู่ในรถรอให้รถวิ่งก่อนถึงจะไปไหนมาไหนได้กิเลสตัณหาจะผลิตความอยากต่างๆขึ้นมาได้ต้องมีใจที่มีการคิดปรุงแต่งก่อน ถ้าใจไม่คิดปรุงแต่งเกลื่อนตันหาก็ออกมาไม่ได้เช่นถ้าใจว่างรู้เฉยๆอย่างนี้ไม่คิดถึงเรื่องอะไรจะไปอยากกับอะไรได้หรือเปล่าแต่พอคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงบุตรคิดถึงธิดานี่ความอยากตามมาลอยากให้เขาดีอยากให้เขาอยู่ไปนานๆนอยากจะให้เขามีความสุข เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากตามความคิดนี่เองเวลาไม่คิดนี่ลืมไปทุกหมดเลยไม่มีอะไรอยู่ในใจใจว่างเมื่อใจว่างใจก็ไม่ได้มีความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะตอนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่ในใจนั่นเองความว่างนี้ใจก็ไม่รู้จะไปอยากให้มันเป็นอะไรได้เพราะมันเป็นอะไรไม่ได้ เหมือนกับเราอยากให้ความว่างของบริเวณนี้หายไปเราอยากได้หรือเปล่าอยากให้มันมีสีเขียวสีแดงสีดําสีเหลืองปรากฏขึ้นมาในความว่างนี้ทําได้หรือเปล่าทำไม่ได้เราก็เลยไม่ได้อยากให้มันเป็นเราก็ปล่อยมันเฉยๆไปนี่แะก่อนที่เราจะเจริญปัญญาได้ก่อนที่เราจะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับ ร, บรู้มาครอบครองเป็นสมบัติของเหล่านี้เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมนี่คือวิธีรักษาโรคหลงลืมโรคความจำเสื่อม ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆพอพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันต่อไปมันจะฝังอยู่ในใจตลอดเวลามองเห็นร่างกายของใครก็ตามจะเห็นความแก่ความเจ็บความตายทันทีนอกจากความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายครบหมดทั้งภายนอกและภายในภายหนภายนอกก็เช่นผมขนและฟันหนัง ภายในก็เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสะน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำหูดต่อไปมันจะไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นบุคคลไม่เห็นหญิงไม่เห็นชาย มันจะเห็นแต่ผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันจะเห็นอนิจจังของผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันจะเห็นความทุกข์ถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเราหรือเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นสามีเป็นภรรยาแล้วเวลาเขา แกเจ็บตายไปก็ร้องห่มร้องไห้กันร้องห่มร้องไห้กับอะไรก็ร้องห่มร้องไห้กับผมขนเล็บฟันนี่เองเวลาตัดผมทำไมไม่เห็นร้องไห้กันเวลาตัดเล็บทำไมไม่เห็นร้องหมร้องไห้กันเวลาถอนฟันทำไมไม่เห็นร้องหมร้องไห้กันพอเวลามันไปจากเราไปทำไมต้องมาร้องห่มร้องไห้กัน พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรที่ดาเวลาก็จากเราไปทาไมร้องไห้กันว่าพ่อตายแม่ตายพี่ตายน้องตายสามีตายภรรยาตายบุตรที่ดาตายทาไมไม่ร้องว่าผมตายขนตายเล็บตายหนังตายเนื้อตายเอ็นตายบ้างเราก็มีแค่นั้นแหะอยู่ที่เราจะมองว่าเรามองตรงไหนเราเป็นโลคความจำเสื่อม เราไม่ได้มองความจริงเราชอบไปมองความไม่จริงกันความไม่จริงคืออะไรก็คำว่าพ่อนี่ก็ไม่จริงแล้วคำว่าแม่นี่ก็ไม่จริงแล้วคำว่าสามีภรรยาบุตรธดาคำว่าตัวเราของเหล่านี้มันก็ไม่จริงแล้วความจริงเราไม่เราไม่ศึกษาหรือศึกษาแล้วเราก็ลืมไม่จดไม่จำเอาไว้ ฟังเทศฟังธรรมกี่ร้อยครั้งมาแล้วก็ลืมไปฟังแล้วก็ไม่เคยเอามาจดเอามาจำกันไม่เคยมองร่างกายนี้ว่าเป็นเพียงผมขนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตายไปแล้วก็จะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปตายไปแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าก็ดินเศษกระดูกก็ดินกลับมองไม่เห็นน้ำก็ถูกไฟ เขาจนกระทั่งเลอเหยยหายไปหมดลมก็หายไปหมดไฟก็หายไปหมดไม่เห็นกันเห็นว่าพ่อตายแม่ตายแล้วก็มาแย่งกระดูกกันกระดูกของพ่อกระดูกของแม่คนนั้นจะเอาไปฝังคนนั้นจะเอาไปลอยอังคารมาวุ่นกับดินน้ำลมไฟกันนี่นี่แหละคือความจำเสื่อมโลกของความจำเสื่อม ถ้าเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไปจะไปแย่กันทำไมใครอยากจะเอาไปอะไรก็เอาไปสิเนี่ยเวลาโยมแม่ของหลวงตาท่านตายเนี่ยพอเผาเสร็จท่านก็บอกให้เอาขี้เท่ากับกระดูกเนี่ยเศษกระดูกเนี่ยไปไปกรบไว้ใต้ต้นโพเอาไปทำเป็นปุ๋ยบูชาพระพุทธเจ้าบูชาต้นโพนั่นแหละคนเขาเห็นความจริงก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นแม่ เกาเห็นว่าเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราเนี่ยปุ๋ยดีๆนี่เองแต่เราไม่นิยมใช้เป็นปุ๋ยกันถ้าตายไปเนี่ยเอาไปใช้เป็นปุ๋ยได้ประโยชน์กว่าเอาไปเผาไปเผาเอาไปฝังไว้โคนต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้เหมือนงอกงามขึ้นมาอใบเขียวขจีผลออกดอกให้พวกเราได้กินกันใหม่ ร่างกายก็คือปุ๋ย ด, ดินนี้เองดินน้ําลมไฟมันจะเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องตัวที่มาครอบครองนั่นแหะที่เป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวนั้นไม่ได้ตายเข้าใจไหมใจไม่ได้ตายใจผู้ที่ครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายพอร่างกายนี้ตายใจก็บายบายแยกทางกันไปใจก็ไปตามอํานาจของบุญของบาปต่อไป ถ้าบุญพาไปก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยเจ้าชั้นมัตสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นไปตามลำดับตามกาลังของบุญบุญก็คือความไม่หลงไม่ลืมนี่แหละเรียกว่าบุญปัญญาความหลงความลืมนี่เรียกว่าบาปพอหลงลืมแล้วมันก็ฉุดร่างให้ใจ ไปตกจ่ำไปทำบาปทำกรรมเพื่อไปรักษาของที่ไม่ใช่เป็นของตนเองรักษาชีวิตก็ต้องทำสงครามกันฆ่ากันแย่งอาหารแย่งอะไรกันเพื่อรักษาของที่ไม่ใช่เป็นของตนที่ตนเองไปหลงคิดว่าเป็นของตนแล้วก็ไปทำบาปทำกรรมกันแล้วพอตายไปบาปก็ฉุดให้ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต ไปเป็นผีไปตกนรกกันนี่บาปก็คือโรคอัลไซเมอร์ของใจนี้โรคความจำเสื่อมเราจึงต้องมาแก้โรคความจำเสื่อมนี้ให้ได้ถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดในอบายพระโสดาบันนี้ท่านรักษาโรคความจำเสื่อมหายได้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วท่านไม่ทำบาปโดยเด็ดขาด เพราะท่านรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่มันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเลยมันเป็นสิ่งที่เรามาเอามารับใช้เราเท่านั้นเองเป็นเหมือนคนใช้เราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านก็พูดอย่างนี้เราใจก็คือเราเนี่ยร่างกายก็คือบ่าวเรามาที่นี่ได้เพราะเราสั่งให้ร่างกายพาเรามา เราคิดใจเป็นผู้คิดคิดว่าวันนี้ต้องขึ้นเขาให้ได้พอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายมาร่างกายก็เป็นบา่าวเป็นคนใช้ก็ต้องรับคำสั่งบอกจะไม่มาก็ไม่ได้เมื่อเจ้านายสั่งแล้วก็ต้องมานอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยลุกขึ้นมาไม่ได้ใจสั่งยังไงกายก็ทำไม่ไม่ทำตามเพราททำไม่ได้นี่แหละ คือปัญญาคือการมาศึกษาความจริงแล้วก็รักษาความจริงนี้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้มีอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่หลงไม่ลืมความจริงแล้วเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเพราะปกติเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอยู่แล้วไม่ใช่เลยร่างกายของคนอื่นเราทุกข์หรือเปล่าคนที่เราไม่รู้จัก คนที่เราไม่รู้เช่นเราได้ยินข่าวแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่นเราก็ไม่รู้สึกจะตื่นเต้นเดือดร้อนเลยตายก็ตายไปเพราะเขาไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราแต่ถ้ามาได้ยินในข่าวว่าคนนั้นคนนี้ที่เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นสามีเป็นภรรยาเราตายไปนี่โอ้โกลาหนขึ้นมาวุ่นวายใจขึ้นมา พอเราหลงลืมไปคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาไม่ได้ตายสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่ตัวเขาสิ่งที่ตายคือคนรับใช้เขาในร่างกายนี้เป็นผู้รับใช้จิตใจจิตใจแต่ละดวงนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับผู้รับใช้ใจที่เป็นนายนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับบ่าวที่เป็นร่างกาย ร่างกายตายไปเจ้านายก็ยังอยู่เหมือนเดิมเจ้านายก็ไปหาบ่าวคนใหม่มารับใช้ต่อประเท่านั้นเองกลับมาเปลี่ยนคนใช้มาไม่รู้กี่รอบแล้วร่างกายนี้ไม่เป็นรู้ว่าเป็นร่างกายที่เท่าไหร่แล้วที่มารับใช้ใจกลับมาเกิดนี่ไม่รู้ว่ากลับมาเกิดกี่ล้านครั้งแล้วนั่นแหละคือความจาเสื่อม ทุกครั้งพอได้ร่างกายมาก็คิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาทันทีเพราะหนึ่งไม่มีใครสอนสองมีสอนก็ไม่จำกันตอนต้นไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาก็จะไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราพอมีพระพุทธศาสนามาสอนก็ลือมอีกไม่จำอีกก็ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ยึงคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอยู่นั่นไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นเพียงผมขนเล็ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันเป็นเพียงดินน้ำลมใสเนี่ยความจำเราเสื่อมขนาดนั้นนะดังนั้นเราต้องมาแก้กความจำกันด้วยการพยายามคิดถึงความจริงกันแต่ก่อนที่จะคิดถึงความจริงได้ใจต้องสงบใจต้องกาจัดหรือ ตัดเลือกกิดขวางกิดกั้นไอตัวที่จะมาสร้างอุปสรรคในการเจริญปัญญาต้องอยาให้มันมีอํานาจขึ้นมาสร้างเหตุทําให้เราไม่อยากพิจารณาเราต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบบ่อยๆให้มากๆจนกระทั่งมีอุเบกขาได้นานๆถ้ามีอุเบกขาได้นานๆก็พิจารณาได้นาน ยิ่งพิจารณาก็ยิ่งจะจําได้ต่อไปพอจําได้แล้วกิเลสตัณหามันก็จะไม่สามารถมาหลอกเราได้มาหลอกให้เราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นสมบัติของเรามันจะไม่มีวันที่จะมาหลอกเราได้ถ้าเรามีปัญญามีความจําที่ไม่เสือ่อม รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่ใช่ของเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดจะตายไปลองผ่าเข้าไปดูแหวก อ, อกดูผ่าท้องดูในใต้ผิวหนังมีอะไรมีแต่กระเพาะลำไส้ลำไส้นี่มันสวยงามไหมทำไมไม่มีงานประกวดลำไส้กันบ้างนีแต่ประกวดผิวหนังกัน ประกวดนางงามนี่เขาประกวดอะไรก็ประกวดไอ้ผิวหนังนี่แหละใชไหมประกวดเนื้อกันเนื้อที่อยู่ใต้ผิวหนังถ้าจะประกวดเนื้อจริงๆก็อลอกผิวหนังออกมาดูสิมาดูเนื้อไกรจะสวยกันนี่แหละคือโลกของความจำเสือ่อมทั้งโลกเลยเสื่อมกันหมดจำไม่ได้กันเลย โลกจึงวุ่นวายกจึงมีความไม่สบายใจกันไปทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนระดับพระเจ้าแผ่นดินราชามาหากาศัตริย์มาหาจากักรพรรดิประธานาธิบดีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมาหาเศรษฐีคนธรรมดาคนขอทานก็วุ่นกันไปหมดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหน เพราะมีโลคกันเดียวกันโลคความจาเสื่อมเหมือนกันจำความจริงไม่ได้ไปจำความไม่จริงกันไปจำว่านั่งกายเป็นตัวเราเป็นของเราไปจำว่าทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองเป็นของเราไปลืมไปว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าจำได้มันก็จะไม่มีความวุ่นวายใจมันเพราะมันจะไม่มีความโรคมันจะไม่มีความอยากได้อะไร ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทิ้งมันไปไปเอามาให้มันเหนื่อยทาไมของแต่ละอย่างกว่าจะได้นี่เหนื่อยแสนเหนื่อยทางานเดือนหนึ่งกว่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนี่เหนื่อยไหมตื่นเช้าทุกวันไปทำงานเหนื่อยทั้งทางกายเหนื่อยทั้งทางใจแล้วพอได้เงินเดือนมาก็ไปซื้อของที่เดี๋ยวมันจะต้องจากเราไปอยู่ดี ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำงานพวกนี้ให้เหนื่อยไปเปล่าๆมารักษาโรคความจำเสื่อมนี้เพียงอย่างเดียวก็พอเพราะถ้าใจไม่หลงไม่ลืมนะทีนี้ก็จะไม่วุ่นวายเพราะจะไม่มีความโลภความอยากไม่มีความโกรธความหลงจะอยู่เฉยๆได้อย่างสบาย มีกินก็กินไปไม่มีกินก็ไม่ต้องกินอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายอยู่ยังไงดีขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนกันอยู่แบบพระเจ้าแผนดินอยู่แบบราชามหาขัตติ์อยู่แบบมหาเศรษฐีก็ตายเหมือนกันอยู่แบบก็อทางข้างถนนก็ตายเหมือนกันเราจะไปวุ่นวายทาไมกับการอยู่อยู่แบบไหนมันผลก็คือเท่ากัน ผลก็มันก็ตายเหมือนกันถ้าใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่แบบไหนก็ได้ถ้าใจไม่หลงไม่ลืมแล้วอยู่แบบไหนก็เท่ากันอยู่แบบราาชาม า, ากษั์อยู่แบบขอทานก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันตรงไหนเพราะใจไม่ทุกข์กับการอยู่อยู่แบบไหนก็ได้แถ้าใจหลงในใจอยาอยากอยู่แบบมาราชาม า, ากษัต์ อยากอยู่แบบเศรษฐีมาหาเศรษฐีแ้วไม่อ ย, อยากอยู่แบบขอทานก็เลยวุ่นเพราะต้องดิ้นดิ้นเพื่อที่จะปรับฐานะของตนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆการดิ้นนี้ก็เป็นการเหนื่อยเหมือนกับการปีนเขาสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับตามสภาพของเรามันจะลงก็ลงมันจะขึ้นก็ขึ้น ปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมยินดีตามมีตามเกิดแล้วอย่างนี้จะสบายใจจะไม่วุ่นวายใจโรคภัยต่างๆของใจจะไม่มีโรคของความเครียดความวิตกกังวลความห่วงใยความวามุ่นวายใจไม่สบายใจความอิดหนาละอาใจความท้อแท้ใจความเบื่อหน่าย อะไรต่างๆอหลนี้มันจะไม่มีเกิดขึ้นมาภายในใจเพราะใจไม่มีความอยากกับอะไรอยู่ก็ได้ตายก็ได้มันจะไปเดือดร้อนกับอะไรถ้าพวกที่ยังต้องอยู่อย่างเดียวตายไม่ได้เนี่ยพวกนี้เด er ือดร้อนมากแล้วก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ก็อยู่แบบเดือดร้อนตายก็ตายอย่างเดือดร้อนแต่พวกที่อยู่ก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็ไม่เดือดร้อนตายก็ไม่เดือดร้อน เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเขาเขาไม่ดืงเขาจำได้เขาจำได้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มันเป็นเพียงอาการสากสิบสองมันเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะไปเอาอะไรกับมันเวลาตัดผมไปไม่เห็นเดือดร้อนเวลาโกนผมก็ไม่เห็นเดือดร้อนเวลาถอนฟันไปก็ไม่เห็นเดือดร้อน เพราะมันไม่ได้เป็นตัวเราเนี่ยแหละนี่แหละคือการมาแก้โรคของความไม่สบายใจต่างๆที่เกิดจากความจําเสื่อมถ้าความจําไม่เสื่อมแล้วมันจะไม่ทําให้เกิดโรควุ่นวายต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถ้าจําได้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราเปตลอด ไม่มีอะไรจะดีไปตลอดไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วในที่สุดมันก็จบเมื่อร่างกายนี้หมดก็จบไปรอบหนึ่งแล้วพอกลับมาได้ร่างกายใหม่ก็มาเริ่มรอบใหม่เหมือนดูหนังเป็นรอบๆไปชีวิตเรานี้เป็นเหมือนหนังเป็นเหมือนความฝัน เวลาตายไปทีก็เหมือนหนังจบไปเรื่องหนึง่งแล้วเวลามาเกิดใหม่ก็เหมือนดูหนังเรื่องใหม่ต่อก็วนเวียนอยู่เนี้ยดูมาไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะความจำเสื่อมทำให้เกิดความอยากได้ร่างกายพอได้ร่างกายก็ได้ดูหนังรอบใหม่ถ้ามีความจำไม่เสื่อมต่อไปก็จะไม่อยากได้ร่างกายเบื่อที่จะมาดูหนังซ้ำๆ ซ, ซักๆ ดูหนังเกิดแก่เจ็บตายดูการพัดภาาจากกันดูไปทำไมดูให้เหนื่อยไ ป, ปเปล่าเปล่าให้ทุกข์ไ ป, ปเปล่าเปล่าทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่ฉลาดผู้ที่ไม่อยากจะต้องมาเจอความทุกข์ก็ไม่มาเกิดไม่อยากได้ร่างกายมันก็ไม่เกิดแล้วจะไม่ไม่อยากได้ก็ต้องจำได้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายมันเป็นกองทุกข์ให้จําไว้อย่างนี้ร่างกายมันไม่สวยไม่งามมันเป็นอสุภะเวลาตายไปมันกลายเป็นซากศพเวลานางงามจัจกรวาลตายไปมีใครไปขอเป็นสาเป็นภรรยาไปขอรับศพของนางงามจักรวาลว่าจะไปขอรับมาเป็นภรรยาไม่มีใครอยากได้แล้ว นั้นพยายามมาสร้างาความจริงกันมาเพื่อจะได้ทำลายความไม่จริงกันวิธีที่จะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะคิดอยู่เรื่อยๆได้ก็ต้องทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบมีอุเบกขาแล้วก็จะคิดได้อยู่เรื่อยๆการที่จะมีสังความสงบมีอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติ ต้องไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ได้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวใจก็สงบเองการที่จะมีสติเจริญสติได้ก็ต้องอยู่คนเดียวต้องปีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องมีเวลามีเวลาก็คือต้องไม่เอาเวลาไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มไปเนียไปเที่ยวไปเล่น ถ้าเอาเวลาไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไปเสริมสวยความงามต่างทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับร่างกายก็จะไม่มีเวลามาปิกวิเวกไม่มีเวลามาเจริญสติจะจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรักษาศีลแปดนะครับเพราะศีลแปดนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยถ้าถือศีลแปดทำได้อย่างเดียวก็คือเดินจงก้มนั่งสมาธิ ปีกวิเวกเนี่ยทำได้ถ้าคนถือศีลแปะ ก, ก็ทำได้แค่นี้ไปลงหนังไม่ได้ไปลงละครไม่ได้ไปงานงานเลี้ยงงานงานปาร์ตี้ไม่ได้ไปเข้าบ่อนไปไปดื่มไปบาร์ไปผับไม่ได้ใช่ต้องไปอยู่ในป่าไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นเนี่ยถ้าไปอย่างนี้ก็จะมีเวลาไปเจริญสติได้ถ้ารักษาศีลห้านี่มันไม่พอ นักษาศีลห้ายัางไปเที่ยวได้ยังไปดูหนังไปฟังเพลงได้ไปกินเลี้ยงได้ไปฉลองงานฉลองวันเกิดฉลองวันคืนสู่ยว่ววันอะไรต่างๆได้ไปทัศนาจรไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้อยู่ถ้าไปเที่ยวเราจะ เ, าเวลาที่ไหนมาเจริญสติเอาเวลาที่ไหนมาปิกวิวเวกอาวุธเจ้าจึงต้องสอนให้นักษาศีลแปด แต่ก่อนจะรักษาสีลแปดได้ก็เอาสิห้าไปก่อนเพราะว่าถ้ายังรักษาสีนห้าไม่ได้จะไปรักษาสีนแปดได้ยังไงเอาสีนห้าไปก่อนถ้ารักษาศีนห้าได้ก็ใจจะต้องไม่โลภไม่อยากได้เงินการที่อยากได้เงินเพราะยังอยากใช้เงินอยู่งั้นก็ต้องหยุดการใช้เงินหยุดการใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างตางซื้อของที่ไม่จําเป็น ซื้อความสุขทา ง, ทางตาหูจมูกเิ่นกายต้องตัดไปเวลาจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญแทนเวลาจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ที่มีอยู่เต็มตู้แล้วก็เอาไปทําบุญแทนเวลาจะไปซื้อกระเป๋ารองเท้าซื้อมือถือซื้ออะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็เอาเงินนี้ไปทําบุญแทนบุญนี้ทํากับใครก็ได้ทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทํากับวัดก็ได้ ทำกับสุนัข ก, ก็ได้ทำกับปลาก็ได้ทำกับนกก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ทำกับคนพิการก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอให้เราทำลายเงินก้อนนี้ที่มันจะมาทำให้เราต้องเป็นทาสเหมืนทาให้เราต้องใช้มันแล้วก็ไปหามันมาใหม่เพราะถ้าเราต้องใช้เงินแล้ว เ, เราก็ต้องไปหาเงินใหม่พอหาเงินใหม่เราก็ไม่มีเวลาเราจะรักาษาศีลไม่ได้ เพราเวล า, าหาเงินก็อยากจะหาง่ายๆเร็วๆโกหกได้ก็เอาแล้วล่ะโกงได้ก็เอาแล้ว mm. ก็จะรักษาสีลห้าไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องหาเงินมากๆเพราะเราไม่ได้ใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องไปทำบาป mm. เราก็จะรักษาสี่ห้าด้รักษาสีนห้าได้ต่อไปเราก็จะรักษาสีนแปดได้เริ่มที่วันพระก่อนวันพระวันธรรมดารักษาศี่ห้าวัน การรักษาสิบแนะปดพอรักษาได้วันต่อไปก็รักษาสองวันสามวันได้กนะ็จะมีเวลาปีกวิเวกมีเวลาเจริญสติได้มากขึ้นมีเจริญสติได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสงบได้อุบเบกขามากขึ้นเมื่อมีอุบเบกขามากขึ้นก็สามารถมาพิจารณาปัญญาพิจารณาความจริงเพื่อมาแก้ความจําเสื่อมได้นะ พ, อพอพิจารณาจนมีแต่ความจริงจําได้ตลอดเวลา โลกความจำเสื่อมหายไปใจก็จะไม่หลงใจก็จะไม่โลมไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะรู้ว่าการมีอะไรนี้เป็นความทุกข์ไม่ได้เป็นความสุขสู้ไม่มีอะไรดีกว่านี่แหละคือเรื่องของการรักษาโรคใจพอไม่มีอะไรแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรที่ทุกทุกวันนี้ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่เรามีใช่ไหม หรือสิ่งที่เราหลงไปคิดว่าเป็นของเราถ้ามีแล้วเราไม่คิดว่าเป็นของเราก็ไม่ทุกข์ได้เช่นสามีเราไม่คิดว่าเป็นของเราก็จะไปนอนกับใครใครก็เรื่องของเขาคิดแค่นี้ก็สบายลูกของเราก็จะไปนอนกับใครก็เรื่องของเขาเราสอนเขาแล้วห้ามเขาแล้วบอกเขาแล้วว่าวิธีจะนอนกับใครนอนอย่างไรถึงจะไม่เป็นโทษเป็นภัยแต่เขาไม่เชื่อไม่ฟังเขาอยากจะไปนอนกับใครก็เรื่องของเขาเดี๋ยวติดเชื้อโรคมาก็เรื่องของเขา เพราะเขาไม่ใช่เป็นของเรานี่แถ้าคนเราไม่หลงไม่ลืมแล้วจะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเรานะนี่เมื่อไม่เป็นของเราแล้วเราเราจะไปทุกข์กับมันทำไมเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่กลับมาเกิดเพราะเรารู้ว่าการกลับมาเกิดเป็นการกลับมาหาความทุกข์กลับมาทาไมนี่แหล ะ, หละคือการรักษาโรคใจ โลคความจําเสื่อมถ้าใจเราไม่มีโลกคกรรมจําเสื่อมใจเราจําความจริงได้แล้วใจเราก็จะไม่หลงไม่ลืมไม่โลภไม่อยากรเมื่อไม่โลภไม่อยากก็ไม่ทุกข์กับอะไรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงพยายามน้อมนําเอาธรรมโอสถยาของพุทธเจา้านี้มารักษาโลคความจําเสื่อมนี้กัน ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลศีลห้าศิลแปดด้วยการปีกวิเวกเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วก็พอได้อุเบกขาแล้วก็ให้อมาเจริญปัญญาต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่ลืมความจริงพอไม่ลืมความจริงก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยาก เมื่อไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาระลิภบเรณติสากลังเอวเมวะอิตทินางเปตานังอุปการปฏิ อิชิตังปั um ิติังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเเอโระเณตุสังกะปาจันโทปนะละโสยะธาเมณิโชติละโสยะธาสัพพิตโยวิวัจจานตุสัพพะรุโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อพิวาทานสีดิสานิจังวุทาปจายโนจตารโอธรมาวัทันติอายุวโนอสุขังภาลง้ตาน ถามตอบปัญหาทำสมการบ้านกันมีญาติโยมวันนี้จะมาส่งการบ้านแล้วก็จะมารับการบ้านใหม่ไปทําต่อก็ขอเชิญได้เลขประวัตาสตร์ครับอาจารย์ครับผมผมมาหาพอาจารย์สักน่าจะเป็นสักสองสามปีแล้วครับแล้วก็แล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ทีนี้ช่วงการปฏิบัติเนี่ยผมมีผมมีตัววัดนิดหนึ่งว่าว่าตัวเองเนี่ยทํามาสักสามเดือนหกเดือนแล้วพัฒนาขึ้นหรือเปล่า ผมมีตัววัดสามตัวครับอาจารย์อันแรกคือผมมีความทุกข์น้อยลงไหมอันที่สองคือผมเป็นคนดีขึ้นหรือเปล่าแล้วอันที่สามคือผมมีภาวนาเมย์ปัญญาขึ้นไหมพอทํามาพักหนึ่งเนี่ยสองข้อแรกมันดูเหมือนจะดีครับ mm hmm. ก็คือทุกข์มันน้อยลงมีความสุขเยอะขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็รู้ ร, ร, รู้สึกเป็นเป็นคนดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ส่วนภาวนามย์ปัญญาเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนมีสติ ต่อเนื่องอยู่กับตัวบ้างบ้างบางขณะเรื่องสมาธิก็มีนิดนิดคล้ายๆว่าเข้าเข้าไปได้หน่อยหน่อยวิตกวิจารก็หยุดบ้างแต่รู้สึกจะไม่ได้มีอะไรดีมากกว่า น, นั้น<ด>ก็เลยขอญาติเรียนถามอาจารย์ว่าจําเป็นหรือเปล่าว่าเราจะต้องนั่งสมาธิจนถึงอั ป, ปนาเลยหรือว่าหรือว่าจเจริญสติไปเรื่อยๆเล ย, เ ย, เยแล้วให้มันเข้าเองถึ ง, ถ, งถึงจะมีการพัฒนาที่ถูกต้องครับอาจารย์ครับ ก็จุดหมายปลายทางของการภาวนาก็เพื่อให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้จิตรวมลวงเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้การภาวนาทั้งหมดนี้ต้องการอุเบกขาเป็นเป็นผลเพราะถ้ามีอุเบกขาก็จะได้เจริญทางปัญญาได้เพราะเวลาเจริญปัญญาถ้าใจไม่มีอุเบกขากิเลสโมหะอวิชานี้จะออกมารบกวน มาสร้างความรู้สึกที่ไม่อยากจะพิจารณาเพราะสิ่งที่พิจารณาที่จะต้องพิจารณานี้เป็นสิ่งที่กิเลสตันหาไม่ชอบพิจารณาเช่นความแก่ความเจ็บความตายอาสุภะซากศพความไม่สวยในงามของร่างกายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของเรา นี่คือเป็นสิ่งที่กิเลสตัณหาจะไม่ชอบคิดไม่ชอบพิจารณาดังนั้นถ้าเราไม่ทํากิเลสตัณหาให้สลบสลายไปก่อนด้วยการทําให้ใจเป็นอุเบกขาเวลาพิจารณาก็จะถูกกิเลสตัณหามาก่อกวนสร้างอารมณ์หดหูอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมาก็จะหยุดการพิจารณาไปโดยปริยาย แต่ถ้ามีอุเบกขานี่จะพิจารณาได้และพิจารณาแล้วจะเกิดความาหูตาสว่างสวัยจะเกิดความรู้สึกกล้ า, าหาญพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญรับกับสิ่งต่างๆที่เมื่อก่อนไม่อยากจะรับได้เราจะไม่ทุกกับความแก่จะไม่ทุกขกับความเจ็บจะไม่ทุกกับความตาย จะไม่หลงไหลว่าร่างกายนี้สวยว่างามจะเห็นว่าเป็นอสุภะนี่คือสิ่งที่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือต้องมีอุเบกขาก่อนถ้ายังไม่มีอุเบกขาถ้าจะพิจารณาทางปัญญาจะพิจารณาได้ไม่นานหรือไม่พิจารณาเลยเพราะจะเกิดความหดหู่ใ จ, จเกิดความไม่สบายใจดังนั้นการปฏิบัติ เพื่อที่จะให้เข้าถึงขั้นปัญญานี้ได้ต้องมีอุเบกขาก่อนการจะมีอุเบกขาก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องการจะมีสติอย่างต่อเนื่องก็ต้องมีเวลาเปลีก่เวๆอยู่คนเดียวนี่ละคือขั้นตอนของการปฏิบัติเออจำเป็นไหมครับว่าวาว่าจริงๆมาต้องต้องเดินเดินเดินเข้าทางทางสมถะเลย ท, ทันที คือผมสับสนกับปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญาปัญญาสมาธิคบคุกกันอะไรเงี้ยคนคที่มีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมีสมาธิคนที่ไม่มีสมาธิก็ต้องมีสมาธิถึงต้องฝึกบางงั้นศีลสมาธิปัญญามันจะไปได้อย่างไรคนที่ไม่มีศีลก็ต้องมีศีลก่อนนี่คือขั้นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือคนที่ยังไม่ได้เรียนอนุบาลก็จะเข้า ก็เข้าปฐมไม่ได้สมัยนี้เมื่อก่อนสมัยก่อไม่มีอนุบาลไม่เป็นไรแต่สมัยนี้ต้องมีก่อนอนุบาลสิีกแล้วถึงจะเข้าอนุบาลได้อยากอนุบาลต้องถึงเข้าปฐมได้ปฐมถึงเข้ามัธยมได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นขั้นๆัก่อนที่จะรักษาศีลได้ใจก็ต้องเป็นทานก่อนใจต้องไม่โลภใจต้องเสียสละได้ถ้าเสียสละได้ก็จะ รักษาศีลได้คนที่ยังเสียสละไม่ได้เนี่ยรักษาศีลไม่ได้นี่คือมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนกันดังนั้นจะว่าต้องก็ต้องอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนะี่ยเรามีหรื อ, อยังถ้าเรามีแล้วเราก็ไม่ต้องทําอย่างสมัยที่พรุทธเจ้าทรงประกาศทำครั้งแรกให้กับพระปัญจวคีพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ทําทานไม่ได้สอนให้รักษาศีลไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิ พระเจ้าสอนให้พิจารณาด้วยปัญญาเลยเพราะพวกนี้เขาทําทายมาหมดแล้วนักบวชเขาสละสมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วสินเขาก็รักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิเขาก็มีอัปปนาแล้วแล้วต้องไปสอนให้เขาทําอัปปนาทำไมก็สอนให้ในสิ่งที่เขาไม่มีก็ไม่มีปัญญาก็อ ม, ามองไม่เห็นอริยสัจสี่เขมองไม่เห็นตายนักก็สอนตรงนี้พอสอนตรงนี้เขาก็บรรลุได้ เั้นคุณต้องไปพิจารณาในตัวของคุณเองว่าตอนนี้คุณมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเมือเวลาคุณจะไปสมัครเรียนหนังสือนี่ยเขาจะต้องมีวุฒิที่เราจะต้องมีใช่หไหมเราก็ต้องสำรวจดูเรามีวุฒิครบหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ต้องไปหาวุฒิเหล่านั้นเข้ามาก่อนเมื่อมีมีแล้วเราถึงจะไปสมัครเรียนต่อเรื่องไปสมัครทำงานเรื่องอะไรได้ต่อไปดังนั้นถ้าอยาก ถ้าถ้าจะเรีญปัญญาก็ต้องถามว่าใจเป็นทานหรื อ, อยังใจมีศีลหรื อ, อยังบริสุทธิ์หรื อ, อยังศีลใจมีอั ป, ปนาหรื อ, อยังถ้าไม่มีก็เป็นก็เรียกกินตาเมย์ปัญญาไปไม่ได้เป็นภาวนามย์ปัญญาก็จะไม่สามารถที่จะดับกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้คิดว่าจะขอการบ้านใหม่เลยไม่ขอแล้วพ่อจาย์ให้แล้วกลับนามสการกัดข้พาเพเจ้าเ่อดคดีจะถามบ้านครับ อาจารยครับขาน้ามาส่งใหม่อ่าดีเราไปทำนากานบ้านไปตรวจ ด, ดูว่าตอนนี้เราขาดอะไรขาดส่วนไหนก็ต้องเติมส่วนนั้นอ่าพูดไปค่ะคือหนูมาครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูจะเอฝึกมาระยะหนึ่งก็ นั่งสมาธิมาระยะหนึ่งแล้วก็พยายามเดินสติมาแต่ว่าสติก็ต้องมีกุศโลบายในการเดินตอนนี้ก็คือเหมือนตั้งเวลาพยายามบอกมีสตินะแล้วทุก2ี่สิบนาทีทุกยี่สบนาทีมีสตินะจนะเหมือนกับความสงบที่ได้มาจากสมาธิ เริ่มเห็นผลแต่ว่ามันเริ่มละเอียดขึ้นในเรื่องของเวลามีความคิดขึ้นเรามองเห็นว่านี่คือกิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี่ค่ะพอเห็นว่านี่คือกิเลสปุ๊บมันตัดออกคือเหมือนสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเราตัดออกนี่คือกิเลสเราจะไม่ยอมทำมัน มันก็ดับลงไปแล้วจิตก็เหมือนกับนิ่งปักอยู่กลางนิ้นปีแต่ว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็จะหลุดอีกนั่นเป็นความเป็นความรู้สึกแรกที่รู้สึกว่าเหมือนไม่มีกิเลสอยู่ไม่เคยไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อ น, นะคะ่ะมัน อันนี้คือความคิดหนูมันคิดไปเองไหมวะคะก็ดูมันไปเขาว่าไม่มีกิเลสมันจะมีไม่นานมีนานสักเท่าไหร่ก็ดูไปดูว่าตัวที่ว่าไม่มีมันจะพืิ้งกลับคืนมาหรือเปล่าเราก็ต้องเข้าดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าไม่มีตัวนี้มีตัวอื่นขึ้นมาแทนหรือเปล่ามีตัวไหนขึ้นมาก็ต้องฆ่ามันเหมือนกับหมอรักษาโรคเนี่ย รักษาตรงนี้หายแล้วตรงตรงนู้นหายเลยยังถ้าตรงนู้นไม่หายก็รักษาต่อไปรักษาขาแล้วแขนยังไม่หายก็รักษาที่แขนต่อไปรักษาที่แขนหายแล้วเป็นปวดที่ท้องก็ไปรักษาที่ท้องต่อก็ต้องคอยรักษาไปเรื่อยๆจนกว่ามันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเงินแตลว่าความคิดนี่มันเป็นความคิดนี่มันคิดไปในทางธรรมก็ได้คิดไปในทางกิเลสก็ได้ เราจึงต้องดึงความคิดให้มาคิดในทางธรรมหรือไม่คิดไปในทางกิเลสเช่นอยากจะได้เงินทองนี้ก็ไม่ให้คิดอยากจะเที่ยวก็ไม่ให้คิดอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการนี้ก็ไม่ให้คิดให้คิดแต่่าอยากเดินจงกรมอยากนั่งสมาธิอยากเจริญสติอยากพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายอยากจะพิจารณาอสุภะ อยากจะพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าคิดแบบนี้เรียกว่าคิดไปในทางธรรมเป็นปัญญา<ะ>แล้วก็จะคิดอย่างนี้ก็จะดับกิเลสได้ถ้าคิดว่าคนนั้นสวยคนนี้หลอ่อ<ะ>เดี๋ยวก็อยากจะไปเป็นแฟนเขาอย่างนี้ก็เป็นกิเลสเข้<ะ>าใจไหม<ะ>มีอะไรจะถามอ่ะ ม่มีแล้วคะไม่มีแล้วลมีใครอยากจะถามไหมฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกอาถามผ่านทางไม้นะกล่าวณพิธการท่านพระอาจารย์ค่ะโยมยอยากจะลดละความอยากของตัวเองท่านพระอาจารย์<ม>แต่ถอนใจออกมาไม่ได้สึกมันติดแน่นเลยท่านพระอาจารย์ค่ะไม่มีกําลังเลยไม่มีเบรกขาไง ต้องทําจิตให้เป็นอ ป, ปัณาเป็นอุเบกขาก่อนอแล้วเวลาอยากก็ต้องมองว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขใช่เห็นอยู่ทั้งใจขาแต่มันหยุดไม่ยังทําไม่ได้ไไดเพาไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังต้านมัน<อ>ถ้ามีอุเบกขาก็พอบอกว่าเป็นทุกข์มันก็จะไม่เอาแล้วโอ้ยงั้นพยายามทําอุเบกขาให้มากๆเพราะอุเบกขานี่มันเป็นความอิ่มความสุขใจอยู่แล้วอตอนนี้ใจมันยังไม่อิ่มไม่สุข พอมันเห็นอะไรมันก็อยากได้ทันทีแต่ถ้ามันอิ่มแล้วพอเห็นอะไรถึงแม้จะอยากมันก็จะหยุดได้เหมือนตอนที่โยมกินข้าวอิ่มแล้วถึงแม้จะเห็นของโปดเห็นแล้วก็อยากาไม่กินดีกว่ากินแล้วอ้วนก็หยุดได้แต่ถ้ายังไม่ได้กินนี่พ อ, พอท้องหิวนี่พอเห็นอะไรอยากปั๊บนี่หยุดไม่ได้แล้วะนั้นต้องทาใจให้อิ่มก่อนต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาก่อนแล้วถึงจะสู้กับตัญหาได้ นะครับไเจริญสติมากๆนั่งสตินักสมาธิทําจิตให้สงบมากๆจกนกระทั่งมันรวมไปดูเบกขา้วทีนี้มันอยากอะไรก็ใช้ปัญญาสอนใจได้ว่าอย่าไปทําดีกว่าทําแล้วก็ต้องทําไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอยากแล้วมันไม่อิ่มหรอกทําแล้วมันก็หิวอยากทำอีกอยากกินอีกสู้อยากไปทํามันดีกว่าพอไม่ทําแล้วมันก็หายมันก็จะไม่อยากได้ต่อไป มันโงติดตัวมามากคับท่านอาจารย์แน่นอนเนี่แน่นมากถอนไม่ออกภพชาติที่เราเรียนไหว้ตายเกิดมานี่ท่านบอกว่าน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันนี่มันมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรเสีอีกเราคิดดูก็แล้วกันว่าตันหาของเรานี่มีมากขนาดไหนในวันหนึ่งเราอยาก่ากี่ครั้งเคยนับดูบ้างไหมในแต่ละวันเนี่ยความอยากมันโผล่มากี่ครั้งด้วยกัน เคนั่งสมาธิแล้วกิจมันรวมรวมรว ม, รวมลงไปก่ะแล้วก็มีแต่จิตตั้งอยู่อย่างเดียวพอเสร็จแล้วจิ้งจกมันตกลงมาจากข้างบนนะคะมาโดนกล่องดังแรงมากอย่างคนตีกองใส่หวัวใจอาจาราย์แล้วกิจมันลงไปรวมลึกมากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นสามปีแล้วก็มองเห็นอะไรไม่เคยเที่ยงเลย เห็นบ้านเห็นช่องเห็นอะไรเป็นดินเป็นปูนเป็นทรายไปหมดเลยเห็นคนหนุ่มคนสาวไม่มีความสวยความงามเลยแล้วก็พอดีเอาหลานมาเลี้ยงแล้วก็ค่อยเสื่อมเสื่อมเสื่อมออกมาแล้วก็ไปมรขวารมั่งอะไรมั่งเสื่อมมากเลยตอนนี้ก็ไม่ทําต่อก็เสื่อมแล้วก็ตอนนี้จิตไม่มีกําลังอะไรไม่มีครับก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนเคยเป็นมหาเศรษฐีมีแต่ใช้เงินไม่เคยหาเงิน พอเงินหมดทีนี้ก็ต้องหาเงินแล้วแล้วจะมีโอกาสเพินมมาไหมนี่ก็เคยเป็นได้นะมันจะเป็นใหม่ไม่ได้แล้วมันสุขมากไปตอนนั้นก็ทําใหม่สิเห็นจะยากไปไหนแล้วเคยทํามาได้แล้วตอนนี้เลี้ยงหลานติดละครด้วยนั่นสิก็เราจะเอาอะไรเราจะเอาหลานเลื่อนจะเอาความสุขทางใจก็ต้องเรื่ก้าพยายามอยู่พระอาจารย์พยายามจะค่อยๆพยายาม หยิบไม่มีกําลังเลยตอนนี้ค่ะใช่เพราะไม่ทํามันก็ไม่มีกําลังเดี๋ยวทํามันก็มีเองเหมือนคนที่ไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยเมื่อก่อนวิ่งได้วันละสิบโลพอเลิกวิ่งทั้งั้พอกลับไปวิ่งมันก็วิ่งไม่ไหวก็ต้องเริ่มจากน้อยไปหามากมีโอกาสจะกลับมาใช่ไหมจ๊ะทุกคนกลับไปถึงวมนรคฐานนะทุกคนแอ่ะก็ตามแค่นี้จ้ะค่ะยิ่งเคยเคยมีประสบการณ์มาแล้วมันยิ่งง่ายใหญ่คนที่ไม่เคยได้เลยนี่ยังลังเลสงสัย เอ้กูทําไปแล้วคุจะได้หรือป่าแต่คนที่เคยได้แล้วรู้เนี่ยว่ากูคเคยได้แล้วเคยแบบว่าั่งแล้วมันมันม้นเหมือนนี้มมันหมุนหมุนเหมืนตัวหมุนแต่ว่ามันก็หยุดนิ่งไปแล้วตอนนี้มาแบบว่านั่งอยู่ก็บแบบว่าหมุนเหมือนตัวเองหมุนแล้วแต่<ไ>ปหนหุนแต่อยปล่อยให้มันหมุนให้อยู่กับพุโทโธให้มีอะไรยึดติดไว้แต่ก็นิ่งนิ่งแล้วก็ถอนแป๊บเดียวก็ถอนนะพระเจ้ า, จา ก็ทำน้อยมันก็นิ่งน้อยต้องทำทั้งวันมันจะยึดมันจะนิ่งนานทำมากเท่าไหร่มันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งมากมากขึ้นไปเท่านั้นบางครั้งมันก็คิดคิดคิดเวลานั่งลงไปเนี่ยความคิดมันขึ้นมามากมายเลยแล้วก็มันก็เอาไว้ไม่อยู่โยมก็เลยแบบว่าปล่อยปล่อยปล่อยมันคิดไปรอบโลกเลยแต่แล้วไม่มีทางไปลงเองอ๋อก็ดีแต่ว่าอยู่นิดเดียวเองไม่เหมือนก่อนอ่ ก็ต้องหาอุบายวิธีที่ทําให้มันนิ่งให้มันสงบให้ได้วิธีใดก็ได้ที่มันทําให้มันนิ่งมันสงบก็ใช้ได้อแต่ส่วนใหญ่เขาต้องควบคุมมันไม่ใช่ปล่อยมันคิดเพราะส่วนใหญ่ปล่อยให้มันคิดแล้วมันไม่นิ่งถ้าถ้าปล่อยให้มันคิดมันนิ่งทุกคนก็นี่งเงินหมดแล้วทีเพราะคิดกันเก่งกันทุกคนนะมันต้องคิดไปในทางปัญญาถ้าได้มันถึงจะนิ่งถ้ามันไปคิดไปแต่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะนิ่งได้ เขเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิทำให้จิตนิ่งถ้าคิดไปในทางตายเดี๋ยวจิะะมตมั น, นก็คลั่นะมัตการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทำจิตให้สงบระาบคาะโอเบขาคือว่าวสงสัยว่าเวลาที่จิตสงบที่พูดถึงโอเบขาเนี่ยค่ะมันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสภาพที่ เรานั่งสมาธิหลับตาเสมอไปหรือเปล่าคะเพราะว่าเวลาบางครั้งเนี่ยส่วนมากเวลาที่หนูรู้สึกจิตสงบจะเป็นช่วงเวลาที่หนูคุยธรรมะหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีคําสอนของท่านสามารถแก้ปัญหาในใจของหนูได้แล้วหนูอยู่ๆก็จะรู้สึกเหมือนหนูก็ไม่รู้ว่านะั่นคือจิตรวมหรือเปล่าอะค่ะแต่ว่าอยู่ๆมันก็เหมือนสงบตัวลงไปแล้วก็ มันก็จะเบาๆมันจะมันนิ่งๆมันไม่มีอารมณ์อื่นนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้หลับตาอยู่แค่นั้นเองความสงบมันมีหลายระดับนะเหมือนเกียร์รถนะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หนึ่งมันก็วิ่งได้ความเนวระดับหนึ่งถ้าอยากจะให้มันเร็วกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนเกียร์สองความสงบก็เป็นระดับเหมือนกันเป็นขั้นๆเหมือนกันขั้นหนึ่งมันก็จะสงบได้ในระดับหนึ่งขั้นที่สองก็จะสงบมากขึ้น ดังนั้นการสงบของเรานี้อาจจะเป็นยังเป็นขั้นต้นอยู่ยังไม่ได้เข้าไปถึงขั้นขั้นขั้นสูงขั้นอัปปนาถ้าขั้นอัปปนาถนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาแล้วไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆมันร่างกายก็หายไปอย่างนั้ น, ม, น ม, มันมีหลายขั้นถ้าเรายังคุยกันสนทนากันฟังธรรมอยู่นี่มันก็สงบได้แต่มันในสงบในระดับปานกลางหรือในเบื้องต้นยังไม่ได้แบบรวมหายไป แค้นวิธีที่มันจะรวมนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเดินยืนหรือนั่งหรือนอนอยู่ที่ว่าสติมันสามารถที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งของใจได้หรือเปล่าถ้าเดินอยู่มีสติมันก็รวมได้มันไม่แน่นอนเรื่องอิเลียบทนี้มันไม่ใช่เป็นตัวกาหนดตัวกำหนดก็คือตัวสติ แต่ถ้าพูดว่าถ้าสติเท่าๆกันระหว่างเดินกับ น, นั่งนี่อันไหนจะสงบง่ายกว่านั่งต้องสงบง่ายกว่าเพราะว่าใจไม่ต้องทำอะไรเวลาเดินนี้ใจยังต้องคิดอยู่คิดอยู่กับเรื่องการเดินอยู่แต่เวลานั่งนี่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเรื่องของร่างกายแนละ้วดังนั้นถ้าถ้ามีสติเท่าๆกันนั่งมันจะสงบมันจะรวมได้มากกว่าเดินจะง่ายกว่า แต่ถ้านั่งสติน้อยกว่าเวลาเดินมีสติมากกว่าโอกาสที่จะรวมตอนที่เดินนะั้นก็มีมากกว่าเวลานั่งนั้นแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกันบางทีอยู่ในท่าเดินกลับมีสติดีกว่าอยู่ในท่านั่งก็ได้หรือเวลาฟังเทศฟังธรรมมีสติดีกว่าเวลานั่งก็ได้ไห น, ม, นมันแล้วแต่มันอยู่ที่ตัวสติไม่ใช่อยู่ที่ตัวอิเลียบท มีใครไหมังห้งหลังไม่มีนายคุณต่อถามต่อเลยเดี๋ยวรอเดียวเนี่ยมันเดี๋ยวถามปัญหาให้มันเสร็จไปครับต่อไปเป็นคำถามจากผู้ที่มีผู้ฝากถามที่นี่นะครับข้าพเจ้ามีกิจการทำกล่องกระดาษมีผู้ว่าจ้างให้ผลิตกล่องใส่หนูมีชีวิต ทดลองเพื่อส่งออกจำนวนมากวัตถุประสงค์ผู้ว่าจ้างต้องการนำหนูไปทดลองยาหากข้าพเจ้ารับงานผลิตกล่องนี้จะเหมือนเป็นการสนับสนุนให้หนูไปถูกฆ่าข้าพเจ้าจะมีส่วนของการกระทำผิดสี่นี้หรือไม่ต้องมีแน่นอนถ้าเรามีส่วนที่ทำให้เขาตาย คำถามข้อต่อไปจากทางเฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับจากท่าจากคุณจีรันธนินนะครับร้านขายยามีมากมายในชุมชนมีการขายยาผิดกฎหมายขายยาไม่เป็นไปตามพรบรยาเช่นยาวอาก้าของปลอมทั้งนั้นยานอนหลับยาบางชนิดที่วัยรุ่นเอาไปใช้ผสมอย่างนี้เป็นบาปหรือไม่เป็นมิจฉา อาชีพหรือไม่ครับถ้าเป็นการได้ทรัพย์มาโดยไม่ถูกต้องมันก็เป็นบาปเหมือนกลับไปลักทรัพย์ของเขาขายของปลอม น, นี่ก็เป็นหลอกเขาก็เหมือนโกหกมันก็ต้องเป็นบาปบาปในข้อลักทรัพย์บาปในข้อพูดปดเนี่ยคำถามข้อต่อไปจากคุณชุติมานะครับ ถือศีลห้าโดยข้อกามนั้นเป็นศีลแปดเวลาไปสวนแสงธรรมหรือที่ไหนที่ต้องอารัตนาศีลเราควรพูดเช่นไรก็ไม่ต้องพูดก็ได้เฉยๆไปคือพูดไปในใจก็ได้ว่าเราถือศีลแปดก็เราก็อ布拉มจริยาไปหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังรักษาศีลแปดอยู่คนอื่นเขาสมาทานเราไม่ต้องสมาทานก็ได้พอเราสมาทานแล้ว คำว่าสมาทานนี้มันก็คือความตั้งใจว่าจะรักษาศีลข้อนั้นข้อนี้ก็มีถึงเท่านั้นเองเป็นพิธีกรรมมากกว่าเป็นพิธีกรรมเป็นการสอนคนที่ไม่รู้เช่นคนที่เพิ่งเข้าวัดใหม่ๆไม่รู้ว่าจะรักษาศีลอย่างไรเขาก็เลยจัดวิธีสมาทานศีลขึ้นมาหนึ่งให้คนที่อยากจะรักษาศีลจะได้ประกาศเจตนาลมของตน ว่าข้าพเจ้าอยากจะขอรักษาศีลห้าขอให้ท่านโปรดบอกข้าพเจ้าด้วยว่าศีลห้ามีอะไรบ้างนี่คือเรื่องของสมาทานพอเราเก่าว่ายังพันเตติสลายในนัสหะบัญจะซีลานิยาจามาเสร็พระทังกรตั้งนะโมพุทธังสระนังไปแล้วก็ว่าปานาติปาตาไปเขาบอกว่าคนจะรักษาศีลห้าในเบื้องต้นต้องนับถือพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ ต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแบบฉบับเป็นผู้เป็นตัวอย่างของการรักษาศีลแล้วก็ศีลห้ามีอะไรก็ว่าไปนี่เป็นพิธีกรรมเป็นการสอนคนที่ไม่รู้แต่ที่นี่พวกเรามันรู้กันแล้วมันก็ยังทากันอยู่นั่นน่ะทำจนกระทั่งกลายเป็นของขังไปลืมไปว่าไอ้ตัวที่ขังไม่ได้อยู่ที่การสมาทานอยู่ที่การรักษา อที่สมาทานกันเสร็จออกจากสาราก็โยนใส่ทังะยะไปะสมาทานกันพอหอมปากหอมคอเข้าใจัหม <ened> ข้อต่อไปนะครับได้มีโอกาสไปพักที่วัดป่าบ้านตาดคือหนึ่งเดินจงกรมเสร็จอุทิศกุศลมองเห็นเป็นคลื่นๆยกตัวอย่างถ้าหากเราโยนหินไปที่น้ำ ทำให้น้ำกระเพื่อมเป็นแบบนั้นเจ้าคะ่ะนี่คือหมายถึงว่าอุทิศแล้วมีผู้รับใช่หรือไม่ถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปปรุงแต่งให้รู้ตามที่เรารู้ก็พอมันเป็นขึ้นก็รู้มันเป็นขึ้นก็พออย่าไปปรุงแต่งเพราะเราไม่รู้มันเป็นอะไรรู้ว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าไปยึดไปติดไปปรุงไปแต่งเลยจะทุกข์ไปเปล่า คำถามข้อต่อไปจากคุณแมนนะครับเมื่อใจรู้สึกโกรธโมโหอยากได้เกลียดชังเสียใจขั้นแรกให้ทำอย่างไรจึงจะเรียกสติกลับมาที่ใจตนได้ถ้าท้องพุทโธไปก็ท่องพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธพุทโธพุทโธไปถ้าทางที่ดีเดินหนีไปได้ก็ดีหลบไปเข้าไปนั่งในห้องน้าแล้วก็พุทโธพุทโธไป จนกว่าจะหายโกรธแล้วค่อยกลับออกมาคําถามข้อต่อไปจากคุณนาเรศนะครับถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ถึงขั้นพระอนาคามีแล้วบุคคลนั้นเมื่อตายไปจะไปเกิดในพรมอนาคามีคือสุทาวาสหชั้นแล้วไม่กลับลงมาเกิดอีกแต่ถ้าบุคคลนั้นอยากกลับลงมาเกิดเพื่อชี้แนวทางการปฏิบัติ แก่นักปฏิบัติทั้งหลายแล้วค่อยนิพพานตอนมีชีวิตจะได้หรือไม่ก็แสดงว่าคนนั้นไม่ได้บรรลุจริงยังมีความอยากอยู่คําถามข้อต่อไปจากคุณโอนะครับข้อที่หนึ่งการทําบุญกับขอทานคนพิการ คนแก่ที่ยากจนที่หาเช้ากินข่าเด็กที่ยากจนแต่ไม่มีเงินไปโรงเรียนจะได้บุญมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับการทำบุญกับพระพิสูสงฆ์ได้เท่ากันหมดไม่ว่าทำกับใครถ้าบุญแปลว่าความสุขใจจะต่างกันอยู่ที่ว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ถ้าทำแล้วยังยังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคลที่เราทาอยู่มันก็จะไม่เท่ากัน แต่ถ้าเราทำโดยที่ไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนก็จะได้เท่ากันหมดก็คือความสุขใจอิ่มใจส่วนสิ่งที่บุคคลที่เราไปทำนั้นเขาจะให้เรากลับมานี่ต่างกันไปทำบุญกับหมามันก็เฮา่ะไปทาบุญกับพระท่านประเทศอ่ามันได้ต่างกันตรงนั้นข้อที่สองพระอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับคนอยู่ต่างประเทศ ซึ่งห่างไกลวัดไหมคะว่าควรจะทำบุญทางไหนไม่เคยเข้าวัดมายี่สิบปีทำบุญทางบัตรเครดิตก็ได้ครับอีกคำถามหนึ่งนะครับที่เหลือจะยกไปพรุ่งนี้นะครับคุณยายเพิ่งเสือ ชีวิตได้สองเดือนที่ต่างประเทศโอกาสทำบุญให้คุณยายน้อยมากเพราะไม่มีวัดไทยแถวบ้านค่ะมีแผนว่าจะนำขี้เท่าคุณยายไปไว้ที่วัดสิ้นปีนี้ที่เมืองไทยซึ่งเป็นวัดที่คุณแม่ของคุณยายมีขี้เท่าวางอยู่แล้วในกำแพงวัดคำถามคือควรจะทำยังไงถึงจะแผ่ส่วนกุศลให้คุณยายคะที่เมืองนอกหาวัดทาบุญยากมาก ทำบุญกับใครก็ได้ทําแล้วก็แผ่ได้ทํากับสุนัขทํากับคนพิการทํากับคนแก่คนเจ็บคนอะไรเน่ก็เป็นบุญทั้งนั้นอุทิศได้ทั้งนั้นข้อที่สองนะครับทําบุญให้คนตายคนตายจะรับรู้ไหมคนที่ตายหมายถึงถ้าร่างกายไม่รับรู้แล้วผู้ที่ผู้ที่รับรู้ได้ก็คือจิตที่ยังไม่ตายแต่จะรับรู้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาไป เขาไปอยู่ที่ไหนถ้าเขาเวียนไหววนเวียนอยู่รอบบ้านรอรับส่วนบุญเขาก็จะรับรู้ได้แต่ถ้าเขาไปรับผลบุญเป็นเป็นเทวดาไปที่ไหนแล้วเช่นคนเทวดาก็เหมือนคนไปท่องเที่ยวแะไปเที่ยวในโลกทิพย์แล้วเขาก็ไม่มารับรู้เรื่องเรื่องของเราแล้วข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับทำบุญร้อยวันเป็นความเชื่อใช่ไหมถ้าไม่มีโอกาสทำร้อยวัน เลื่อนไปได้ไหมทำวันเดียวก็ได้ทําวันเดียวทำให้มันหมดเลยมีเท่าไหร่ก็ทามันทีเดียวเอาแค่นี้ก่อนนะดีไหมงั้นกอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธทามยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดใครต้องการถวายของก็เข้ามาได้